ถ้าย่อมาก็คืออย่างที่ว่ากายคืออะไรรูปขันเวทนาขัน น, นะจิตก็เป็นวิญญาณขันธรรมะก็คือสัญญาขันกับสังขารขันก็หมายถึงชรามรณะคืออุปาทานขันห้าแล้วขันห้าอยู่ตามไหนก็ทวารหกนั่นแหละคือตาหูจมูกเลนกายและและใจมันก็มาใคร้ครวญโอ้นพวกนี้เป็นปริญญาธรรมถ้าทำปริญญาให้รอบรู้ดังกล่าวไป จะไม่ได้ละสิ่งที่ควรละที่สุดเทรามรณะก็ไม่ใช่ฐานะนั้นการเจริญสิ่งที่ควรเจริญก็ยิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ฐานะก็จะไม่เห็นสิกขาในพระศาสนาเหล่านี้เลยซึ่งโดยผ่านหูนี่เราอาจจะได้ยินผ่านหูในในสิ่งข้างนับว่าบ่อยมากแล้วใช่ไหมแต่ไปมณสิกานได้บ่อยไหมคุณนภะไม่ค่อยบ่อย ยิ้มๆนี่ไม่ค่อยบ่อยแล้วก็มันจึงที่ไปให้ไปสาธยายไว้บ่อยๆนะชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธทักม า, ามิหนีปฏิปทาแล้วก็ถ้าไม่สาธยายไว้อย่างนี้เนี่ยนะเราจะไม่เกิดไม่มีโอกาสเอามาตรึกเลยเอามาแพ่งเอามาวิเคราะห์มาพิจารณา นไถ้าไม่เพ่งไม่เอามาตรึกเลยนะก็ก็อย่างว่ามันความลึกซึ้งของธรรมะก็ก็ไม่มีเนี่ยนะแต่ถ้าคนที่เข้าไปทําปริญญามากๆนะเออก็คุยกันนะมันมันโสมนัตง่ายมากแต่ถ้าไปคุยกับคนที่ไม่เคยเอามาคิดเลยโอ้เราก็เหมือนกับคุยอะไรสักอย่างหนึ่งกับใครที่ไหนก็ไม่รู้นะคุยเรื่องไดโนเสาร์กันกับคนที่ไม่เคยรู้จักไดโนเสาร์ด้วยกันเนี่ยนะลำบากมาก มะหนักไปมั้งแต่คุณมนมีก็พูดตรงสภาวะดีแต่ว่าการหมันเอามานึกจริงๆอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะเป็นเป็นกิจที่ที่เราจะต้องทำจริงๆถ้าผู้ใดไม่ทำกิจเหล่านี้ก็ไม่ควรทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เหนะ เกิเมื่อไหรที่เราเห็นว่านี่คือกิจคือหน้าที่ของเราเนี่ยนะที่เราจะต้องเจริญหมั่นใส่ใจมนานสิการตั้งไว้เป็นเป้าหมายอย่างนี้เนี่ยก็เชื่อว่าทําที่สุดแห่งทุกได้นะแต่พระองค์บอกว่าสมาทานขึ้นนะกุศลธรรมเหล่านี้นยนะสัตทินศีอันนี้ก็สมาทานขึ้นศีลก็สมาทานขึ้นวิริยะสติสมาธิปัญญากุศลธรรมเหล่านี้สมาทานขึ้นทั้งนั้นเลยเจริญขึ้นเจริญขึ้นทําให้มี นี่ถ้าถ้าไม่ทำให้มีล่ะก็ชาติชรามรณะบ่อยๆอยู่อยู่ร่ำไปโดยที่ไม่มีจบมีสิ้นมาดูหน้า36กเนี่ยกล่าวว่าไอชาติชรามรณะเนี่ยมันเป็นของที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอยู่นั่นแหละไม่มีจบมีสิ้นขึ้นชื่อว่าชาติชรามรณะเหล่านี้ย่อมเที่ยวสแสวงหาโอกาสดุดศัตรูผู้เข็นฆ่าสัตว์เหล่านี้นะปัญจมิตรเนี่ยนะปัญจะบวกอมิตรเนี่ยก็คือพวก ศัตรูนั่นเองอ่ะนะหมู่ฆ่าศึกเหมือนกับฆ่าศึกสามคนของบุรุษผู้คอยโอกาสเฝ้าดูอยู่คนที่หนึ่งก็พูดว่าข้าจะกล่าวชมเชื่อว่าป่าโน้นแล้วจะพาเข้าไปในป่านั้นเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่ทำได้ยากสำหรับเราเอาะไรก็ถามว่าที่เกิดของศักว์เนี่ยมันโล่งหรือมันรกเออรวมๆแล้วนะที่เกิดเนี่ยที่โล่งๆหรือที่รกนั้นชาติก็เหมือนกับว่ามัน ที่มันรกชัดอ่ะนะมันเวล่เดี๋ยวชวนไปชมป่าคนที่สองก็บอกว่าเวลาที่เจ้าพาคนนี้ไปอ่ะนะเราจะโบยตีทำให้ทุรพลเรื่องนี้ไม่เป็นของยากสําหรับเรานะเขียนมันนะมันมันโบยพิเศษนะมันไม่โบยใช้เส่ใช้หวายมาเขียนใช่ไหมมันโบยตรงไหนก่อนจะนิดนิดมันเลือกโบยไม่ค่อยเลือกอ่ะนะมันโบยฟันบ้าง มันโบยหูบ้างโบยจมูกบ้างโบยตาบ้างโบยแขนบ้างโบยขาบ้างโบยกระดูกบ้างโบยตับบ้างโบยไตบ้างอนะมันเล่นงานไตอยู่ที่เดียวก็เดือดร้อนไปเยอะแล้วนี่ก็โบยตีไปทําให้หมดเรี่ยวโมแรงแต่ละแห่งแต่ละแห่งในร่างกายนะถ้าถ้ามันมีปัญหาขึ้นมานะมันทําให้อย่างอื่นหมดเรี่ยวโมแรงไปหมดเลยใช่ไหมมันโบยสามมือเลยครับลองไม่กินดูสิครับอันไหน บางทีเราไม่อยากกินนะมันมันมันหิวอะครับถ้าไม่กินอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ลองแกล้งลืมดื่มน้ํากินข้าวดูสักวันหนึ่งเถอะนะอะไรจะเกิดขึ้นนะมันเริ่มโบยขึ้นไหมล่นะเนีเริ่มมณสิการทุกขเวทนาทั้งหลายก็เกิดขึ้นวันนี้วันอุโบสถเนี่ยนะนะถ้าลองพรุ่งนี้อีกก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจอีกนะในะบายเ ย, ย็นๆเนี่ย น, นะเดี๋ยวคืนนั้นจะฝันฉันแต่ข้าวข้าวเนี่เป็นจาเสพติดอะถ้าไม่กินเลย ทีนีคนที่สามบอกว่าเมื่อเจ้าโบยตีทำบุรุษนี้ให้หมดกําลังแล้วชื่อว่าเอาดาบคมตัดศีรษะจงเป็นหน้าที่ของเราเถิดเนี่ยนะตัดหัวเลยในการอุปมาณนั้นชื่อว่าการฆ่าออกจากวงของเพื่อนและญาติแล้วให้เกิดในภพใดภพหนึ่งเหมือนเวลาที่ข่าศึกคนที่หนึ่งกล่าวชมป่าพาบุรุษนั้นไปในป่านั่นเองอันนี้เป็นหน้าที่ของชาติคือความเกิด นะใช่ไหมพาจากญาติที่หนึ่งอนนจริงๆก็คือถูก ป, ประหารจากที่นี่ใช่ไหมไอการถูก ป, ประหารจากที่หนึ่งถ้ากขาบอกว่าชวนไปเที่ยวอีกอีกที่หนึ่งอันนัพบนี้ถูกประหารไอพบใหม่ก็พาไปเที่ยวต่อก็ตันหาเนี่ยมันชวนไปเกิดใช่ไหมก็ไอไ อ, อย่างสมมุติอย่างชาตินี้นะชาตินี้เราก็จะถูกประหารกันอยู่แล้วใช่ไหม อีกไม่นานเท่าไหร่ก็จะถูกประหารกันเกลี้ยงเลยแหละแต่แล้วพอก่อนประหารนนะั้นมันก็ชวนก่อนนะเออที่นั่นดีนะชวนด้วยกรร ม, มนิมิตคตินิมิตใช่ไหมกรร ม, มาอารมณ์พวกนี้มันก็ชวนโ อ, อ้นี่ดีนะโ อ, อ้นี่สวรรค์นะองค์น่าปรารถนามันก็ชวนไปต่อนะโ อ, อ้นี่มนุษย์นะจะได้เกิดเต้นอะไรก็ว่าไปนั่นก็ชวนไปแล้วใช่แต่ฝั่งนี้ถูกประหารเรียบร้อยแล้วท่นระหวังนั้นกำลังถูกชวนอยู่การที่ขันซึ่งเกิดขึ้นแล้วตก ไปเนี่ยนะอ่อนกําลังแล้วทําให้ผู้อื่นเนี่ยทำให้เป็นผู้พึ่งคนอื่นและมีเตียงนอนเป็นเบื้องหน้าดดค่าศึกคนที่สองเนี่ยนะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยจะไม่ต้องเข้าห้องฉุกเฉินรถเข็นเข็นเลยกันนี่ก็ถูกอันนี้เขาเรียกว่าทําให้ทุรพลเนี่ยนะทำจนหมดเรี่ยวหมดแรงไปหมดคิดดูนะถ้าเรียกว่าชาราเนี่ยมันบวกกับพยาธิเข้ามาใช่ไหมอะไรบั่งที่เป็นเหตุใ ห, ให้เกิดพยาธิไม่ได้บ้างอะ วัตถุทุกเรื่องพร้อมที่จะมาโบยเราได้หมดเลยใช่ไหทุกอย่างนะพร้อมที่จะโบยเราได้ทุกเรื่องอย่างที่ผู้การคิดก็ดีนะพร้อมที่จะให้อากุศละวิบากเราเกิดก็ได้ก็อย่างที่กล่าวว่าเสาไฟฟ้ามันก็อยู่ข้างๆถนนนั่นแหละทำไมเอารถไปชนมันทำอะไรที่นั่นอ่ะใช่ไหมก็เอาจนได้โยมคนหนึ่งเขาบอกว่าดอยอินทนนท์นี่เขาเลิกขึ้นนะเขาว่างั้น ทำไมบอกว่าก็เห็นตายเกลื่อนเขาก็เลยเข็ดเลยเขาว่างัง้นสมาทานไม่ขึ้นดอยนี้กลัวมากมันท้าทาดก็ไม่ไว่าแล้วบนดอยนั่นน่ะนะแม่บ้านคุณบุญชูเนี่ยเขากลัวมากฝรั่งไปตายเกลื่อนอยู่แถวนั้นน่ะหลายปีแล้วแล้วก็ทุกแห่งเนี่ยนะพร้อมที่จะรับอากุศลวิบากได้หมดเลยต่อไป การให้ถึงความสิ้นชีวิตดุจค่าศึกคนที่สามมันเอาดาบคมเนี่ยตัดศรีรษะเพิ่งทราบว่าเป็นหน้าที่ของมรณะนั้นก็เวลาเห็นใครเดินนะเออเข้าเดินไปหาชาราและมรณะนาะนะเนี่ยเรานี่กําลังไปหาชาราและมรณะเนาะคิดอย่างนี้บ่อยๆน่าจะดีนะเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เวลากลับไปหาชารามรณะต่อไปอีกนะนะจริงๆก็หาที่จริงๆนะของเราทั้งหลายเนี่ยหาไปหามาจนเจอจนได้เนะ เกิดมาอีกแล้วนัอีกประการหนึ่งในทุกสามอย่างนั้นเพ่งเห็นชาติทุกขเหมือนการเข้าสู่ทางกันดานใหญ่ที่มีโทษเหมือนกับว่าปล่อยให้เราเดินทางทะเลทรายนะักันดานนี่แปลว่าเป็นที่สถานที่มันมันมันเดือดร้อนน่นนะเช่นเดือดร้อนเรื่องอาหารกันดานอาหารไนงะกันดานน้าเดือดร้อนเรื่องน้ําที่ที่มันเดือดร้อนเรื่อง เพราะฆ่าศึกศัตรูเป็นต้นเนี่ยนะเพราะผีร้ายมันเยอะอย่างเงี้ยนะเรียกว่าที่กันดานมันเห็นชาตินี้เหมือนที่กันดานที่ที่มีโทษเห็นชาราติทุกเหมือนความเป็นผู้ทุรพลที่อดข้าวและน้ําในทางกันดานนั้ น, นนะก็ใครที่อดบ่อยๆเนี่ยอาจจะฟังคํานี้แล้วก็ทราบซึ้งไหยหรือไม่ก็พวกคนที่ที่เตรียมจะพาตัดบางอย่างก็ต้องให้อดอาหารก่อนใช่ไหม เตรียมแม้กระทั่งจะตรวจบางอย่างก็ต้องให้อดอาหารก่อนเนี่ยนะนั่นก็ถึงเราไม่ได้ไปถูกทรรกันถิ่นกันดานที่ไหนอยู่ในนี้มันก็กันดานอยู่แล้วว่างั้นหรอนะี่เพิ่งเห็นมรณะทุกเหมือนการให้ถึงความพินาศ ด, ด้วยเครื่องผูกมัดเป็นต้นแก่คนทุรพลผู้มีความพยายามให้อิริยาบถเป็นไปเนี่ยถูกขจัดแล้วแรงหนักๆเข้าจะเดินก็เดินไม่ไหวเนี่ยนะ มันไอชาราที่ทุกมันเล่นที่เขา่ามันก็ทําให้เดินยากขึ้นนะมันเล่นที่กระดูกมันก็ทําให้นั่งยากนอนก็ยากปวดเมื่อยลาบากไปหมดเลยแหละในที่สุดก็พินาฏเอาจนตายจริงๆไม่มีเหลือเนาะก็ดูได้จากบรรพบุรุษของเราไม่มีเหลือเลยท่า น, นของเราจะไปเหลือได้ยังไงเนี่ยนี่ก็ถ้าใครรู้จริงสิ่งเหล่านี้นะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะต้องไม่ลืมว่าบทเหล่านี้เนี่ยต้องค้นให้เชิงอมะตะบทนั้นจึงจก จากพ้นทุกข์อ่ะนะบทเหล่านี้เป็นบทที่คนทั่วๆไปไม่ค่อยชอบฟังเนี่ยนะแต่ว่าผู้ปรารถนาความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยเขาชอบเอามาใคร่ครวญเพราะว่านี่คือตัวตัวทุกข์อ่ะนะตัวทุกข์จริงๆอ่ะนะเมื่อสิ่งนี้เป็นตัวทุกข์เนี่ยเขาจะต้องเอาวิเคราะห์ตัวทุกข์นั่นแหละเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อดับทุกข์นะก็หมั่นพิจารณาชรามรณะให้มากๆแท้ มาดูโสกะบ้างนะโสกะคืออะไรโสกะก็คือความแห้งใจกิริยาที่แห้งใจภาวะของบุคคลผู้แห้งใจความผากณภายในความแห้งผากณภายในของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกธรรมะคือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วนี้เรียกว่าโสกะนะ ก็ถูกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเข้านะก็เกิดความเศร้าโศก ที่จริงโศกะเนท่าขยายตามอัตกถานนั้นจะต้องมีคําว่าพยาศนะห้ามาด้วยนะแต่ว่าอีกอีกคัมภีหนึ่งจะมีกล่าวถึงพยศนะห้าไอความพี่บัตรย่างใดอย่างหนึ่งตัวนั้นนะ น, นะคําว่าพี่บัตรตัวนั้นก็คือหนึ่งยาติพยศนะวิบัตรญาติสองโภคาพยาศนะนะหน้าอะไร น, นี่มันอัตกถาบาลีอ่ะไม่มี อ่าถ้าเป็นที่อื่นจะต้องมีนั่นนะถ้าเป็นถ้าเป็นฉบับอื่อถ้าเป็นสูตรอื่นนะไม่ใช่สติปัฏฐาน น, น่จะมีคือจะต้องว่าหนึ่งนะญาติเสียหายเรื่องญาติสองเรื่องทรัพย์นะนะโคะสามเรื่องสุขภาพโรคภยัยไข้เจ็บสี่เรื่องศีลห้าเรื่องทิฐิเนี่ยนะห้าประการเรียกว่าความวิบัติห้าประการคำว่าโสกานี้เป็นชื่อของความเสียใจนะ เป็นความเสียใจเป็นเวทนาสภาวะใดย่อมถึงความพรากอธิบายว่าย่อมชัดไปก็ต้องย่อมซัดเนะย่อมซัดไปคือย่อมกำจัดประโยชน์เกื้อกูลและความสุขเพราะเหตุนั้นสภาวะนั้นชื่อว่าพยศสนาย่อมสัดไปนี่นะก็คือแม้กำจัดประโยชน์กำจัดสิ่งที่เกื้อกูลกำจัดความสุขาว่ารวมๆก็สร้างแต่ความเสียหายให้ เช่นความเสื่อมญาติเนี่ยนะยาติพยาสนะเนี่ยความสิ้นญาติคือพี่นาาแห่งญาตินนะเช่นว่าญาตินั้นเสียหายเกิดจากโจรเนี่ยนะโจรฆ่าโจรฆ่าญาติเราทิ้งเป็นต้นหรือว่าญาติเราเนี่ยถูกโรกภคภัยไข้เจ็บเล่นงานเนี่ยนะอันนี้รเรียกว่าความเสื่อมญาติความเสื่อมญาติอันนี้เห็นชัดคือพวกลูกที่พ่อแม่ตายตั้งแต่ยังเด็ ก, ดกอ่ะนะพ่อแม่ที่รับผิดชอบเลี้ยงดูลูกดีๆเนี่ยนะซึ่ง รับทิดชอบลูกหลานยังไม่เท่าไหร่เลยใช่ไหมพ่อแม่ตายจากไปเนี่ยอาจจะด้วยเพราะถูกฆ่าหรือโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจนญาติตายก็าตามถามว่าเด็กๆเหล่านั้นมันจะทุกขขนาดไหนอย่างไอเด็กที่ผู้การพูดถึงครั้งก่อนเนี่ยนะคือลูกลูกของคนงานผู้การเนี่ยนะลูกลูกคนงานตายไปเพราะเบาหวานแล้วก็นอนแล้วก็หลายยาวเลยทีนี้ ถ้าใครมาถามไอ้หนูตัวเล็กเนี่ยเขามีลูกลูกลูกชายตัวเล็กๆน่ารักดิลูกชายเขากําลังน่ารักเลยฟังเขาจะเวลาเขาขี่รถเครื่องนะเขาจะบอกลูกชายหนูไหว้เด็กคนนี้มันจะยกมือไหว้แม่ตายไปไม่ยอมไหว้แล้วตอนนี้เมื่อก่อนมันจะยกมือไหว้ตัวอ้วนเลยลูกชายเขาตัวเล็กนี่เสร็จแล้วถ้าเขาถามว่าแม่เขาไปไหนนะก็บอกแม่หลับอยู่ตอนที่แรกๆตายนะก็บอกแม่นอนอยู่ว่างั้น อันนี้ตอนหลังบอกว่าแม่ไปเที่ยวที่อื่นยังไม่มาสักทีไะตอนนี้อาจจะลืมไปแล้วมั้งแต่พูดถึงว่าเด็กที่ไม่มีแม่แล้วจะต้องเจริญเติบโตไปนะที่ดูแลลูกกัพา้าทั้งหลายที่พ่อตายแม่ตาย่ยาตายขาดคนดูแลเนี่ยนะคนดูแลเอาใจสายตายไปหมดแล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปพูดถึงความเดือดร้อนเลยนะเช่นเรียนหนังสือเขาไม่ได้เรียนแบบคนอื่นนะถ้าไม่มีคนส่งเสียเขาอ่ะนะเพราะว่าการเรียนหนังสือเนี่ยโอโ้โห ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่คงจะรู้ดีอย่างที่อาจารย์เกต์เล่าวันนี้ว่าโอ้โหพวกพ่อแม่ทั้งหลายส่งลูกเรียนเนี่ยนะถามว่าเดือดร้อนขนาดไหนถ้ามีทรัพย์ระดับหนึ่งเนี่ยกว่าลูกจะเรียนจบเนี่ยบางคนแทบหมดตัวเลยถ้าหากว่าลูกที่ที่เรียนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะโดยที่ทางบ้านส่งอย่างเดียวเลยเนะสังเกตได้จากลุงลุงเขาส่งที่เอ่อส่งลูกสาวเขาเรียนนะนะโอ้เป็นหนี้เป็นศินอยู่เป็นสิบปีอะ่ะนี่ยกว่าจะหมดหนี้หมดสิน นะเพื่อจบพืปะ ว, ะปะวะสอเองนะก็กว่าจะจบปะวะสได้หมดแทบหมดตัวเลยเลยก็ถามว่าถ้าเป็นชาวชนบทเนี่ยส่งมาเรียนในตัวอำเภอใช่ไหมค่าเทอมค่าเช่าบ้านค่าอาหารอะไรทุกอย่างเลยเนะยก็ต้องจ่ายแล้วก็อยู่อย่างนี้กว่าจะจบม .6 นะจบม .6 แล้วไปต่อปะวะชปะวะส อ, อีกนะโออีกหลายปีถ้าจบปริญญาด้วย จบถึงก็ส่งต่างประเทศด้วยเนะี่ยถ้าถ้าพ่อแม่ไม่มีเนี่ยถามว่าโอ้โหมันจะต้องบีบเหงือออกมาขนาดไหนเนี่ยกว่าลูกหลานก็จะเรียนจบมันก็ถ้าผู้ที่รับผิดชอบนั้นตายไปอ่ะนะที่เหลือมจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นนะนั้นคนที่เรียกว่าเรียนด้วยด้วยด้วยลำแข้งของตัวเองเนี่ยเขาจะรู้ซึ้งเลยใช่ไหมว่าโอ้โผู้ผู้มีคุณส่งเสียเนี่ยมีคุณขนาดไหนเนี่ยนะ ก็อย่างอย่างผู้การก็ทั้งคนอื่นส่งด้วยส่งตัวเองด้วยเอาสองอย่างเลยนะมันก็ดูว่าระลึกถึงผู้ที่ส่งอยู่ตลอดเวลาเลยแหละผมกับพี่สาวกับคนนู้นข้าเทิมคนนี้อีกเทิมกับคนนู้นไปเรื่อยๆเวียนไปเอาตัวรอดไปได้เช่นว่ามีเรียนมาได้ไม่กี่คนเขาเวียนกันส่งอนะก็ยังคิดถึงบุญคุณอยู่เนี่ยครับเช่นวก็พี่สาวบางคนของผู้การผู้การตั้งเงินเดือนให้เลยนะ ส่งทุกเดือนแล้นะก็คือคือเห็นเลยว่าผู้ที่ที่ส่งอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเรียนเนี่ย น, นะ <c oughs> เขาเป็นมหาภาระจริงๆที่ที่สังเกตได้จากหลายๆคนที่เขาส่งญาติเรียนเนี่ย น, นะเช่นเขาส่งน้องเขาเรียนบ้างอีกคนหนึ่งส่งล้านเรียนบ้างเนี่ย น, นะโอ้คนที่ส่งเนี่ย น, นะกรมิดกระเมียมนอะไรสารพัดเลยนะเพื่อที่จะได้ประหยัดออมเงินเป็นก้อนไปส่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ <c oughs> ส่ง น, น, นะเนะอ๋อกระเม็ดกระแแม่นะ <c oughs> แล้วเมื่อกี้ว่าไงนะ นะก็คือมันเหมือนอาๆนะคือจริงๆนะพวกนี้ไม่ยอมใช้ทรัพย์ง่ายๆนะโอ้ใจน่าดูเลยกว่าจะโตขึ้นนะอาจารย์ก็สอนก็คงมีประสบะการณ์นะคนที่เรียนๆทั้งหลายเนี่ยจะพอมีประสบะการณ์ว่าถ้าไม่มีบุคคลเหล่านั้นเหล่านั้นส่งเนี่ยชีวิตเขาจะเป็นยังไงหลายๆคนเนี่ยนะถ้าถ้าไม่มีผู้อื่นส่งเสียเป็นต้นดูแลอุปธรรมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะเดือดร้อนขนาดไหนกว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้มนุษย์นี่กว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ใช้เวลานอนมากเลยนะ ถ้าเทียบกับสัตว์อื่นๆนะมนุษย์เนี่ยช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้อยู่อย่างน้อยสิบปีอะแล้วก็เกินกว่านั้นอีกบางคนนี่ยี่สิบปีบางคนสา4สิบสี่สิบปีเขาบอกว่าอยู่ยานเกาะเขาบอั้นเกาะพ่อเกาะแม่ตลอดแล้วก็แต่ถ้าอันนี้หมายถึงผู้ที่มีที่ให้เกาะนะถ้าหมดที่ให้เกาะให้พึ่งพิงล่ะอะไรจะเกิดขึ้น แล้วก็เวลาที่ญาติที่ที่เราพึ่งพิงได้เนี่ยนะที่ที่เรียกว่าเราจะต้องอาศัยเขาแล้วต้องพึ่งพิงเขาถ้าเขาเสียหายไปเนี่ยนะโอ้โศกะมากๆเลยนะเสียใจมากเลยเขาบอกว่าคําว่าญาติในที่นี้อาจจะเป็นพวกเพื่อนก็ได้นะีนะพวกเพื่อนพวกพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอา ท, ที่ที่มีอุปการะนะถ้าบุคคลเหล่านั้นเสียหายไปเนี่ยก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะ ทุกใจเป็นอย่างมากเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ส่วนเสียโภคะเนี่ยนะเสื่อมโภคะเนี่ยนะโศกเพราะเสียทรัพย์เนี่ยนี่ก็เห็นเลยใช่ไหมเสียเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยเสียใจแค่ไหน น, นะก็ปริมาณของถ้าถ้าใครที่มีหลายๆระดับนะเสียสิบบาทมันเสียใจแค่ไหนถูกหลอกหมดไป10บาทเนี่ยนะถ้าหมดร้อยหนึ่งจะเป็นยังไงถ้าหมดพันหนึ่งเป็นยังไงถ้าหมดหมื่นหนึ่งเป็นยังไงถ้าหมดแสนหนึ่ ง, ง, 1, 1, ง, ง เ, เป็นยังไงถ้าหมดล้านหนึ่งจะเป็นยังไงถ้าหมดมากหมดตัวเลยเป็นยังไง นะการเสียทรัพย์นี่นับว่าเป็นความทุกข์เป็นอย่างมากะน ะ, ะด้วยอาจจะด้วยภัยต่างๆนะถ้าสมัยนี้เขาบอกว่าปัญหาตัวหนึ่งนะบอกว่าหลังจากฟุตบอลโลกหมดเนี่ยนะบอกว่าตำรวจจะต้องทำงานมากขึ้นทำไมบพกว่าพวกหมดตัวพวะแข่งบอลเนี่ยนะเพราะบอล น, นะพวกนี้จะไปปล้นไปจี้เขาทุจริตกรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้น